เอขวดน้ําหรือ ว, ว่าอะไรอยู่ในทะเลนั่นนะเอไปตามคลื่นเนี่ยไม่รู้ไปที่ไหนไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางใดเอไปของมันอยู่เรื่อยัอยู่ใจของเราแต่ถ้าว่าพวกเราสกัดอกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วใจของเราหยุดหมุนเอแล้วว่า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 ใจของเรานะ่พึ่งพาอาศัยบุญนะพึ่งพาอาศัยคุณงามความดีพึ่งพาอาศัยบุญถ้าว่าเราไม่มีพึ่งพาไม่มีบุญพึ่งพาอาศัยใจของเราก็พึ่งพาอาศัยบาปาบาปก็มีแต่พาไปสู่ทุกขติยงเหมือนกับคนทําชั่วนะคนทําชั่วถ้าจะดีได้ยังไงมีแต่เข้าคุกเข้าตารางไปเรื่อยถลําลึกไปเรื่อยๆเพราะอเพราะชั่วนะ